อ่าญาติโยมทั้งหลายฟังคำนี้ายด้วยกันโดยกรรมฐ า, านจักเร็กน้อยเวลาฟังโยมไม่ต้องพนุมือจ้ะเวลานานจะน เ, เมื่อมากวันนี้ก็ขอพูดเรื่องกสินที่เรียกวันนแล้วก็สินเพราะว่าคำกรกสินเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญคือฝึกเป็นสมาธิได้ง่ายแต่ว่าก่อนจะพูดถึงกระสินก็ขอแนะนําเบื้องต้นก่อน การเจริญรกรรมฐานเบื้องต้นมีสภาพเหมือนกันหรือว่าอันดับแรกให้รู้ลมไม่ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้าก็รู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ว่าให้ใจออกถ้าจิตละเอียดไปกว่านั้นให้ใจเข้าย า, ยาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยานี้จะดีมาก ขละใดที่ญาติโยมเขาบะใบสั ต, ร, ตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นท่านถือว่ามีสมาธิในอนาปาลสติกรมฐานเพราะว่าคําว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจถ้าเราตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งอารมณ์ยังสงามจุดนั้นอยู่ชื่อว่ามสมาธิระยะต้นๆท่านจังแนะนําให้รู้ลมหายใจเข้าใจออก ถ้าต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบคู่กับลมให้ใจถ้าการเจริญกรรมาฐานทั่วทั่วไปก็ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธเป็นพุทธานุสติเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธแต่หา ว, ว่าบรรดาญาโยมพุทธรมเอสัตว์วันนี้ถ้าต้องการเจริญมโนยิทธิ คำว่ามโนยิทธิเป็นหมวดของพิญญาที่แปลว่ามีลิปทางใจให้ใช้คำนาว่าวนะมะพาทะคือว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนกว่าทะการปฏิบัติการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่เป็นปกติขึนกรรมฐานทุกกอง แต่ว่าการเจริญกรรมฐานของกันดาท่านพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ให้ต้องการให้ทุกคนหวังนิพพานว่าทําอย่างน้อยถ้าอย่างเลวที่สุดเราตายจากความในคนก็เป็นนางฟ้าบ้างเป็นจิวดาบ้างในผิวว่าอย่างต่ำอารมณ์อย่างกลางก็เป็นพรรมถ้ามีอารมณ์ละเอียดสะอาดที่สุดก็เป็นไปพระ น, นิพพาน ดังนั้นในฐานะที่เราปฏิบัติเพื่อต้องการเดินเข้าไปสูน่นิพพานก็จะใช้แต่เพียงรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนไม่พอดังนั้นในตอนแรกพระพุทธเจ้าจึงไทรงแนะนำว่าก่อนที่จะรู้ลมให้ใจเข้าก่อนที่รู้ลมให้ใจออกหรือว่าก่อนที่จะภาวนาก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวง หมายความว่าทําความรู้สึกบนโลกนี้ทั้งโลกจะมีคนกี่คนก็ตามจะมีสัตว์กี่ตัวก็ตามจิตใจของเราจะมีความรู้สึกเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครจะไม่มีเวรมีภัยกับใครนในหมายความว่าเราคิดจะคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนของเรา แล้วว่าสัตว์ทุกตัวเป็นเพื่อของเราถ้ารมจิตคิดอย่างนี้จิตใจก็เบิุขต่อไปพระเจา้าก็ทรงให้พิจารณาศีลคือ ส, สำรวมคระวังในศีลว่าเวลานี้เราษาสิงกี่สิกขาบทถ้าสิบห้าก็มีห้าข้อถ้าเป็นเส้นแปก็มีแปข้อถ้าเป็นกาหนดสิบก็มีสิบข้อ ถ้าเรารักษาสิลประเภทไหนราจยายมรักษาสิลทุกข้อให้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องเรื่องความว่าอันดับแรกเราต้องว่าเป็นคนมีเมตตาจิตและคาเมตตาจิตนี่ไม่ใช่มีเฉพาะเจริญกรรมฐ า, านนะให้มีตลอดเวลาด้วยการมีสิ่งครบถ้วนก็ไม่ใจพค่เวลาจเจริญกรรมฐ า, านจงเป็นคนมีสีงตลอดวันตลอดคืน ถ้ามีเมตตาจิตด้วยมีศีลด้วยมีความเคารพใะพระเจ้าในพระธรรมในพระอาเรศสงด้วยทั้งหมดนี้ทุกคนจะไม่เดินทางไปสู่อบายภูมิที่หลังจากตายชาติดีแล้วจะตายอีกชาติก็ตามจะไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปลศรัทธายเป็นสัตว์เดือดฉานถ้าอย่างต่ำก็เกิดเป็นเทวดาหรือนงางฟ้า อย่างกลางเกิดเป็นพรใถ้าจิตไม่นิยมร่างกายก็ไปเกิดนิริพานเรือองความว่าในเมื่อเรามีเมตตาจิตเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรามีศีลห้าบริสุทธ์ก็เป็นคนที่ปิดอบายภูมิคือบาปเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดเป็มีโอกาสให้ผล หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระเจ้าเพนก็ทรงแนะนำว่าจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วภาวนาพิจารณาตามปัญญาใสตอนนี้ไปก็จะแนะนำเรื่องเกสินถ้าเป็นความรู้พิเศษคำว่าเกสินแปลว่าลิมิตหรือเึื่องหมายวันนี้ดีแล้วกกสินเกษินสีเขียว กรสินสีนี่มีสีสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวที่ผ่านมาแล้วเป็นกระสินสีเหลืองวันนี้เป็นกระสินสีเขียวเจะได้วันนี้แล้วกระสินวิธีปฏิบัติก็ให้ทําสีเขียวทาผ้าก็ได้าทากระดานก็ได้ทาขันน้ําก็ได้วางว้ันน้หรือจะผ้าเขียวเขียวหรือกระดายเขียวเขียวก็ได้ตัดให้เป็นแผ่นโตสักนิดหนึ่ง พอที่มองให้สะบัดบาย <c oughs> อันดับแรกลืมตาดูภาพสีเขียวจําภาพเพนได้ขณะที่ลืมตาดูใช้คำภาวนาว่านีลกสิดังแปลว่าสีเขียวนีล่ละกสีดังนีละกสิดังแล้วก็หลับตานึกถึงภาพนั้นแล้วก็ภาวนาว่านีล่ละกสิดังทําอย่างนี้ าภาพภาพนันเลื่อนไปจ่ายใจก็เลื่อมตาดูใหม่เมื่อจำได้แล้วก็หลับตาในถึงภาพการทำอย่างนี้เป็นการฝึกสมาธิของจิตแล้วก็เป็นการสุดได้เร็วมากว่าหนึ่งทุกคนต้องรู้ลมหายใจเข้าออกในรการที่สองมีภาพมิมิตมีสีเปน็นมิตจำสีเขียวแล้วก็เวลาภาวนา จำภาพสีเขียวก็รู้ลงไม่ใจเข้าออกด้วยแล้วภาวนาว่านี่ละกสีดังนี่ละกสีดังต่นี้แต่ว่าจำจิตจำภาพได้บ้างจำไม่ได้บ้างจำภาพประเดี๋ยวเดียวภาพก็เลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีเขียวสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพก็เลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าคณนิกาสมาธิคือเป็นสมาธิเล็กน้อยสมาธิยังไม่สูงแต่ความจริงถ้ากาลังใจเขมรดาญาโยมพรทัตมีสมาธิขั้นสมาธิเล็กน้อยแค่นี้ตายจากความ็นคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไปสวรรค์ได้ก็ถ้าอยากถามว่าสีเขียวไม่เปรียวอะไร ถ้ว่าถึงอานุภาพของกสิณใ น, น, นหมายความว่าสานที่ใดถ้ามีความสว่างมากเกินไปต้องการให้สถ า, านที่นั้นมืดมืดมากหรือมืดน้อยตามความต้องการของเราเขาใช้ดีแล้วก็สิ่งเข้าช่วยขั้นดับแรกตั้งจิตนุปจารสมาธิอริฐานว่าสถ า, านที่นี้จงมีสีมวัวหรือสีมืดขนาดไหนก็ตามตามความต้องการ หลังจากนั้นข้าทำจิตให้เข้าถึงชานสี่เ <c oughs> พิ่ถึงชานสี่แล้วก็ลดจิตลงมาตั้งจิตไว้แค่อุปจาร์แลสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าขอที่นี้ที่นี้จงมืดตามที่เราต้องการเพียงเท่านั้นสถานที่นั้นจะมืดตามที่เรากะสงหรือว่าถ้าบังเอิญเรามีของสิ่งอื่นซึ่งไปไม่ใช่สีเขียวไม่เป็นที่ถูกใจของเราเราต้องการสถานที่นี้เป็นสีเขียว จะเป็นของเล็กของใหญ่อาคารสถานที่ก็ตามแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานว่าขอที่นี้จงเป็นสีเขียวสีจะเขียวตามแต่ว่าความพป่งหมายจริงๆพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนฝึกสมาธิถ้าสมมติว่าเราจับภาพสีเขียวจนชินตาชินใจลืมตานิกถึงภาพเห็นมองเห็นภาพหลับตาจำได้นานแสนนาน คำว่านานแสนนายก็กอาจจะถึงสองนาทีสามนาทีก็ได้ยิงถืว่านานภาพไม่เลือนไปจากใจอย่างนี้เรือโอการิโอการินิสเบื้องต้นต่อไปภาพก็จะทรงนานกว่านั้นแล้วเราสามารถจะบังคับนึกว่าภาพนี้จะสูงขึ้นมันก็สูงขึ้นภาพนี้จะต่ําลงภาพก็ต่าลงภาพจอยู่ก็ซ้ายภาพอยู่ขวาภาพอยู่ก็หน้าภาพอยู่ข้างหลัง อย่างนี้ยังไงเราตามภาพเป็นไปตามใจเราชอบอย่างนี้ถือว่าอกหันในมิตต์ตอนกลางต่อไปภาพก็จะกลายจากสีเขียวค่อยๆเหลืองขึ้นมาทีละน้อยเะิน้อยลดนน้อยจนกระทั่งเหลืองเต็มอัตราอย่างนี้ถือว่าอุป ร, ปราระสมาธิตอนกลางนั่นอกันจะใกลยย้จาถึงที่สุด ต่อไปภาพจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็กลายต่อไปเป็นสีขาวขณะที่ภาพกลายเป็นสีขาวเป็นแผ่นเต็มแบบนี้ตันถือว่าเต็มกําลังอุปจารสมาธิถ้าถึงจิตจะเข้า อ, อุปจาระฌานแต่ถ้าบาังเองิญเราคิดว่าเห็นภาพสีเขียวกําลังใจก็งเรามีความเลื่อมใสไม่พอ ก็ค้อนนึกเปลี่ยนจากภาพสีเขียวว่าภาพสีเขียวนี่ตรงภาพกระสินนี้ต้องหายไปสีขาวแล้วนะภาพกสินนี่ต้องหายไปขอภาพพระพุทธเจ้าจงปราบกดแทนเพียงเท่านี้ภาพกสินจะหายไปภาพพระพุทธเจ้าจะปราบกดถ้าภาพพระพุทธเจ้าปราบกดเราก็ภาวนาว่าพุทโธอย่างนี้กํลาลังจิตจะทรงฌานได้ดี คือว่าก้าวิลปนี่ความจริงเขามีไว้เพื่อเป็นการฝึกการสรงชาญเพราะเป็นอวรฐานที่เป็นสมาธิง่ายแล้วก็ทรงชาญได้เร็วแต่ก็เป็นวิธีซ้อมกําลังใจก็อันด้วยว่าจิตของเราเป็นสมาธิดีแล้วดีอย่างถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิดีเป็นสมาธิเล็กน้อยภาพก้าวิลที่เราจําไปเดี๋ยวเดียวจะหายไปเราก็ต้องดื่มลืมตา ม, มาดูใหม่ ถ้าว่าสมาธิดีขึ้นภาพกสินนั่นใหญ่จะทรงอยู่นานกว่าเดิมจะเป็นได้ทั้งสองสามนาทีนี่วดีขึ้นแต่ก็เป็นสีเขียวตามเดิมถ้าสมาธิก็ดีมากกว่านั้นทรงตาการดีขึ้นมีกําลังสูงขึ้นนี่เปนการซักซ้อมกําลังของสมาธิด้วยก็สามารถจะบังคับให้ภาพกสินนั้นสูงก็ได้ต่ำก็ได้อยู่้ายก็ได้อยู่ฟ้าก็าได้ตามใจชอบ ถ้าภาพเครื่องสมาธิเราไม่เข้าถึงปีติอิม่มเอิบดีภาพกสินจ้าก็กลอยเข้า ก, กลายเป็นสีขาวถ้าขาวทั้งผืนได้สมาธิแสดงว่าเต็มอุปจาระสมาธิต้านีมิตรอันนั้นก็จะเต็มเต็มอุปจาระนิมิตกำลังเต็มแต่ยังไม่ถึงฌานะมาบัติแต่ก็ทรงตัวดีอย่างนี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงภาพจากภาพสิงเป็นภาพอื่นได้ตามชอบใจ ถ้าอย่างเราคิดว่าญาติของเราอยู่ไกลแสนไกลอยากจะทราบว่าเวลาดีเขาทําอะไรอยู่เขามีความสุขหรือความทุกข์เราก็จับภาพกรสินที่เป็นสีขาวแล้วมีจิตผ่องใสงและสีผ่องใสแล้วก็ตั้งใจนึกว่าพอภาพกรสินนี้จงหายไปภาพญาติของเราอยู่ที่ไกลของจุฬากฏในที่นี้ เพียงเท่านี้ภาพของญาติเราที่อยู่ที่ไหนก็ตามยะปลา้กดชัดถ้าเห็นวงแคบเกินไปก็ขอว่าขอเห็นทั้งหมดมีใครอยู่บ้างมีบ้านขนา ด, นาดใหญ่ขนาดโตขนาดไหนหรือต้องการเห็นทั้งราบนอันนี้ได้เลยตามใจชอบกวงความพาาังกัดสินนี่มีประโยชน์ใหญ่สำหรับเป็นการซักซ้อนกำลังใจของคนนักปฏิบัติถ้าสมาธิดี ส, สังกสินก็จะอยู่นาน ถ้าสมาธิไม่ดีก็สิ่งก็หายไปจะได้รู้จากกำลังใจตัวเอ ง, งอว่าเวลานี้สมาธิเราดีหรือไม่ดีต่อนี้ไปก็ขอแนะ น, นาาําบรรดาญาโยมพระธศัตถ์นันได้การฝึกมโนยิทธิเพราะส่วนใหญ่วันนี้จะมาฝึกมโนยิทธิที่แนะนําได้ก็สิ่ก็เพราะว่าเปน็นกรรมฐานนี่บรรมฐานสี่สิบตั้งใจจะแนะนําให้รู้ให้หมด ไม่อย่างนั้นปฏิจะเข้าใจว่ากรรมฐานในพุทธศาสนานั้นมีอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งควาจริงไม่ใช่อย่างนั้นสําหรับมโนยิทธินี่ก็เป็นท่านกสิลด้วยและก็เป็นพุทธานุสติด้วยคําว่าพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นการศิลก็คือเห็นภาพพระพุทธเจ้าหือเพื่อภาพพระรูปภาพพระพุทธรูปเป็นการศิลแต่เรานึกว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ ถ้าเราเห็นเป็นสีเหลืองเป็นปิตากาารสินถ้าเราเห็นสีขาวเป็นโ อ, โ อ, โ อ, โ อ, โอทารกิสิสสออนถ้าเห็นแก้วสีใสเป็นอาโลสินยานี้เป็นต้นตอนนี้มนโนยิทธิเ ร, ป า, า, ร า, ป า, าปฏิบัติกันทำไมให้ทราบว่าการปฏิบัติมโนยิทธิขั้นแรกจะต้องได้ทิพย์ยุยานก่อน ถ้ามาทิพยานี้เราจะเห็นนรกเราจะเห็นสวรรค์เห็นพุมลโลกเห็นทุกอย่างที่เราต้องการเห็นที่ตาเนื้อเราไม่สามารถจะเห็นทั้งนี้ก็เพื่เป็นการยืนยันว่าตายแล้วมีสภาพเหมศูนย์ตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสระระัมมาสัมพุทเจ้าและว่าถ้าทำคล่องตัวจริงๆจะสามารถระลึกชาติได้ด้วย แล้วก็อยากจะสามารถจะรู้ว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนชาตินี้เราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนจะอยู่สัมมาโลกชั้นไหนจะอยู่ที่ไหนเราจะทราบทราบก่อนที่จะตายทราบตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปทราบแน่นอนเราจะได้มีความดีใจว่าการตายครา้นี้ตายไปแล้วเราไม่ลําบากและมีความสุขมากกว่านี้ในความจริงคุณประโยชน์มากกว่านี้นะจะเรียกขอแนะนําในการปฏิบัติปฏิเวลาจะไม่ขอ วิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกก็รู้ลมหายใจเข้าใจออกเหมือนกันคือว่าอันดับแรกจริงๆเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ฝึกใหม่นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งคืีพระพุทธรูปจะเป็นองค์ใดก็ตามที่เราชอบที่เรามีความรูมากนึกถึงภาพท่านแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาด้วยคำภาวนาใช้คํานาสีคนานะมะปะทะ เวลาให้ใจเข้านึ ก, กว่าหนัมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพผาทะขณะที่รู้ลมหายใจเข้าใจออกที่ขบันดาญาโยมพุทธบริ ษ, ษัททุกคนอย่าบังคับร่างกายตอย่าบังคับร่างกายจงให้ใจแรงให้ระ ใ, ใจเบาปล่อยไปตามเรื่องการหายใจเป็นหน้าที่ของร่างกายแต่การเอาจิตใจเข้าไปรู้ลมหายใจเขาออกเป็นเรื่องของเรา ต้องปล่อยกายต่สบายไป่งั้นยันเลยเพราะย้ำใหม่ว่าเวลาหายใจเข้านึกตามันะมะเวลาหายใจออกนึกตามพะพระทะทร้อมกันนั้นให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธรูปสักองหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่ ง, ง, ง, งการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอนาปานสติกะบาลฐาน ขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นท่านมีสมาธิที่เรียกว่านาปานุสติได้แห่งกองลักรายการใีสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานรายการในสามจิตนึกถึงพระพุทธรูปภาพพระุธรูปเป็นกสิณถ้าสีเหลืองเป็นปัจปจักเป็นจกรกสิณเป็นต้น ในเวลาที่ญาติโยมภาวนาอยู่แบบนี้ครูไก็แค้ภาวนาประมาณสิบนาทีขณะที่ภาวนาอยู่ภาวนาญาติโยมพระตบสัตย์จงอยา่าอยากรู้อยากเห็นอะไรไป็นขาดเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นเข้าจิตจะฟุ้งซ่านความไป็นทิศจะไปเกิดขณะภาวนาแล้วรู้ลมใจก็ออกต้องการให้จิตให้ทรงตัวเท่านั้นเอง แต่ว่าเวลาสิบนาทีที่ครูให้เวลาไว้อย่านึกว่าเร็วในความจริงเวลาไม่นานแต่ว่าเวลาดัานอาจจะมีอารมณ์เข้ามาแทรกภาวนาไปภาวนาไปหรือมีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาแทรกอันนี้ก็เป็นของธรรมดาถ้ามีอย่างนี้จะอย่าจะหนีใจตัวเองว่าเร็วยังไม่เร็วเพราะเรากําลังฝึกก็จะมีเผลอบ้าง ในเมื่อรู้ตัวมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกก็ทิ้งอารมณ์อื่นเสียไห่เขามารู้ลมหายใจเข้าออกไปให้ใจเข้าลมในกวนละมาจะออกในผาทะหลังจากนั้นเวลาพอสมควรครูก็จะเข้าไปแนะนำนดั่งที่ครูเข้าไปแนะนําเข้าไปนั่งกลางวงหรือนั่งธนาพระบรรดาญาโยมพุทธบุตททุกคนเลิกภาวนาทันที ตอนนี้ไม่ต้องภาวนาแนละ้วเลิกไปเลยการรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็เลิกไปด้วยลอยใจตาสมสบายแต่ว่าครูเขาจะแนะนำในการตักกีริสเพื่อต้องการให้จิตขันยอดโยมทุกคนเป็นทิปที่เรียกว่าทิพ ย, ย, ย์โยกุยานขณะที่ฟังเสียงของครูเขแนะนำเวลานั้นเขาจะแนะนำธรรมะ ขณะใดที่จิตใจเขาบรรดาญาโยมฟังธรรมอยู่เวลานั้นจิตใจจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตค่อยๆว่างจากกิเลสกิเลส จ, จิตค่อยๆห่างกันทีละน้อยละน้อยละน้อยเมื่อห่างกันมากพอสมควรความเป็นทิพย์ก็จะเริ่มเกิดความเป็นทิพย์ของจิตเมื่อูเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่ก็หน้าบ้าง เขาถามอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงตัวของเขาหมายถึงเทวดาหรือนางฟ้าหรือภูมิหรือพระอริยเจ้าที่ตนมาสงเคราะห์ขอบรรดา ญ, ญาโยมบริวรัตย์เชื่อความรู้สึกของจิตถ้าความรู้สึกของจิตว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีถ้าควารู้สึกของจิตไม่มีก็ตอบว่าไม่มี ทักต่อไปก็จะถามว่าท่านนี้อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ความรู้สึกเป็นยังไงตอบตามนั้นก็ถามว่าท่านวันนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบ ต, ตามความรู้สึกไอ้ความรู้สึกนี่โยมเป็นทิพยคุญยานคําว่าทิพยคุญยานนี่ไม่ได้แปลว่าตาทิพถ้าตาทิพเขาต้องเรียกชื่อว่าทิพเนตรทิพเนตรนี่ต้องมีร่างกายเป็นทิพอย่างเทวดาและนางฟ้าหรือพรม อย่างเรามีร่างกายเป็นเนื้อมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้จึงต้องหลับตาแล้วก็ใช้ใจประทิพย์แตนดังนี่คําว่าทิพยญญานแปลว่าแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครตาทิพย์ให้ถือความรู้สึกทางใจครั้งแรกเป็นสำคัญถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นปับ๊บให้เชื่อทันทีว่านี่ถูกต้องจะไม่มีผิดและได้ความเป็นทิพย์โคจรจิตทิพบรรดาญาโยมเพื่อุริสัทธ์เบื้งได้ ก็ย่มไม่เสมอกันไปนของธรรมดาทั้งนี้ก็ขึ้นแก่กัารปฏิบัติกำลังใจข่านญาติโยมเองไม่ใช่ไม่ใช่ครูบังคับถ้าขณะที่ญาติโยมฟังคำแนะนำของครูในฐานะก็เคราะห์นําในการตักกิเลสถ้าเวลานั้นจิตใจของญาติโยมสะอาดจากกิเลสเล็กน้อยเพื่อสะอาดไม่มาก เวลานี้ความเป็นทิพก็จะเกิดขึ้นน้อยนั่นก็หมายความว่าจะมีแต่ความรู้สึกของจิตแต่จิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกของจิตถ้าบังเอิญเวลานั้นจิตสะอาด จ, จากกิเลสปางกลางถ้าเป็นอย่างนี้แต่เมื่อจิตรู้มีความรู้สึกขึ้นจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะักให้กาลังใจขบรนดาญาโยมพุระตุศษ มีจิตสะอาดที่สุดในเวลานั้นเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากที่เป็นอย่างนี้เพื่ออาศัยกําลังใจของยมดาญาโยมฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติจริงๆเวลารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็วิยา ร, ระวังย้าจิตมาพุ่งสร้างเกินไปตั้งใจว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ ใ, ใจออก และภาวนาตามาให้ใจเข้าหรือกวนะไมใ้ใจอดเธอพาทะและในเวลาที่ครูแนะนําในการตัดกิเลสก็จงใช้ปัญญาคล้อยตามไปด้วยเห็นโทษของกิเลสถ้าบรรดา ญ, ญาโยมพระสงฆ์สัตวเห็นโทษของกิเลสชัดจิตจะสะอาดมากเราก็จะเบื่อเรื่องคู้กิเลสโชคราวถ้าร่มเบื่อเนื่องกิได้เกิดขึ้นจิตก็สะอาดยังจะมีรมผ่องใส แล้วก็สําหรับญาติโยมที่ใดแล้วในตอนต้นเมื่อรู้หลงไว้ใจก็ออกแล้วก <c oughs> ็วจึงนึกถึงอริยสัจ <c oughs> อริยสัจที่มีความสําคัญก็คือทุกข์ให้มีความเข้าใจว่ากายเกิดมีร่างกายเป็นคนมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขทุกข์ขั้นแรกก็คือความหิว ความหิวเกิดขึ้นก็ทุกข์ความกระหายเกิดขึ้นก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นก็ทุกข์ความแก่ปลายกรดก็ทุกข์ความทัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์การเดืกอบจิตใจงานมีความหน่อยยากก็ทุกข์ถ้าเราเกิดเป็นคนอย่างนี้กี่ชาติแล้วก็ทุกแบบนี้ตอนนี้เราจะไปไหน ถ้าจะไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพลมอันนี้ถ้าไม่มีทุกข์แน่แต่การไม่มีทุกข์ก็เทวดานางฟ้าหรือลมนี่ก็ไม่สุขไม่นานในเมื่อหมดบนศาสาบา ร, รมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็มีความจําเป็นว่าบีดแดนเดียวที่มีความทรงจำนั่นคือนิพพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราตายคราวนี้ขอเที่ยวเป็นการตายครั้งสุดท้าย ความตายจะไม่มีอะไรอีกเราต้องการนิพพ า, านจุดเดียวหลังจากนั่นขอทุกคนนี้ทําแล้วคอยการซักซ้อมนะกายจิตใจจับพระบระชงค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตาจารย์ม่เคยเห็นแล้วอจิตไปตั้งที่นิพพานเวลาที่ครูซักซ้อมไม่จะมีการข้องตัวมากอริยบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทตอนนี้ไปขอญาติโยมทุกคนหันหน้าไปทางพรธรูปสมาตั้งใจสมาทานศีลสมาทานมรรคฐาน